ความเจริญจะมีดท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องตายร่มพระโพธิญาณอีกครั้งหนึ่งในภายใต้ต้นพระศีรมหาโพธิพระพุทธเจ้าทรงสัตย์สรุนั้นนอกจากปีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทางเดินหน้าและถอยกลับคือตั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับพร้อมโดยการเปล่งพระพุทธุุทธานายามทั้งสามแห่งระดีนะครับก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอุทธุพุทธานมันเกิดขึ้นจะเป็นการแสดงเห็นถึงประญานของพระองค์ทุกแงม่มุมที่เรียกว่าพระสัพพัญญุตยาน ก็รู้ทั้งโลกรู้ทั้งพระองค์รู้ตลอดทั้งสิ่งต่างต่างคนนี้พระโบราณอาจารย์คืออาจารย์ในยุคหลังที่เราเรียกว่าพระแตกถาอาจารย์ได้แสดงไว้ว่าพระพุทธวจนะหรือพระพุทธพจน์นั้นเมื่อจะแบ่งโดยการก็แบ่งได้เป็นสามคือปฐมพุทธมัจจิมพุทธพจน์และปัจจิมพุทธพจน์ อโธมพตคือพระพุทธดํารัสที่เปล่งเป็นคราวแรกหลังจากการแตสรุปมัจจิมาพตธพธ์ก็คือพระพุทธพจน์ที่ได้ทรงแสดงหลังจากนั้นจนถึงก่อนจะปิณิพานประสิมาพตธพธ์ก็คือพระพุทธพจน์ที่รับสั่งเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์คือเมื่อรับสั่งพระ พระวาดคนนี้แล้วคนนี้ผ่านเลยอันเป็นการสรุปรวมคำสอนในทางพุทธศาสนาเอาไว้ดัวหลักแห่งอภปมาจทจธรรมคือความไม่ประมาทข้อที่เรียกว่าปฐมพุทธพจน์นั้นก็ทรงเปล่งในตอนจัดสรุเสร็จเป็นการแสดงให้เห็นถึงปริยานอาการปฏิบัติลผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มีใจความว่าเราเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตันหาผู้กระทำเรียนได้ท่องเที่ยวไปเมื่อหาไม่เมื่อยังไม่ได้ประสบได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารเป็ น, น, นเอเนกการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปจากตอนนี้ท่านจะเห็นว่า เป็นการแสดงถึงปัจจยการสายเกิดหรือแสดงถึงปฏิจจสมุปาทสายเกิดในขณะนั้นก่อนจากนั้นพระองค์เองก็ตกอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ประทัยของพระองค์นั้นมุ่งหมายที่จะแสวงหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพแต่ก็หากันไม่เจอเมื่อหากันไม่เจอก็ อาศัยเหตุปัจจัยคือกิเลสกรรมเป็นต้นนั้นทำให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเป็นอนเนก ท, ทุกครั้งที่มีการเกิดก็เข้าสู่กระบวนการของทุกอย่างที่เราสวดกันจึงรับสั่งว่าการเกิดไปบ่อยเป็นทุกรัาไป ชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์อนาความตายก็เป็นทุกข์และแ ม, แม้สิ่งที่จรเข้ามาหรือเกี่ยวข้องมาอย่างที่เราสวดกันก็ถือว่าเป็นทุกข์โรงเองก็ประสบความทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเป็นอันมากเพราะว่าหาผู้สร้างอาตภาพไม่เจอเมืมีผู้สร้างอาตภาพอยู่การได้อาตภาพก็ต้องมี เพราะการได้อัตภาพความทุกข์ต้องมีและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตภาพเประนั้นก็ต้องมีติดตามมาก้นนี้ได้ทรงแสดงไว้ใน <c oughs> นิทานวักสังยุตติกายเป็นนั้นมากเป็นการอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเรียนให้เกิดความเข้าใจเช่นว่าทร ง, งยกตัวอย่างถึง กระดูกของคนที่ต้องทับถมลงบนแผ่นดินเพราะการเกิดในทังสารวัตตลอดการยาวนานนั้นถ้าหากว่ากระดูกเหล่านั้นไม่สูญสิ้นไปก็จะเป็นกองกระดูกขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเขาเวปุลระบันพศได้อีกบางครั้งก็ทรงยกอุปมาด้วยน้ำตาที่เราต้องร้องไห้ เพราะการสูญเสียญาติพี่น้องเบะชาชนคนที่รักในสังสารวัฏนั้นถ้าหากว่าไม่เกิดแท่งไปก็จะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอีกการพูดในนี้เป็นการพูดโดยอุปมาเปรียบเทียบไปเห็นคือไม่รู้จะนับยังไงเนื่องจากหมุนวนในสังสารวัฏมา ก, กเกินๆพระเจ้าจึงตัดเอาแค่อวิชชาเป็นต้นเ้าของกิเลสทั้งหลาย เาจะมีการสืบสาวไปอีกมันก็เป็นกระบวนการอย่างนั้นอีกคือหมุนกันอยู่อย่างนั้นเองในสุดก็สรุปอยู่ที่อวิชาแต่การสรุปอยู่ที่อวิชานั้นเป็นหลักทั่ ว, วไปแต่บางปริยายคนพูดใช้คําว่าวิชาไม่เข้าใจพระเจ้าก็ใช้เป็นภวะตันหาภาวะตันหาก็คือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานจากในภพ คือศาสตร์ใดที่จิตยังปรารถนาพบยังไขว้คว้าพบคือไม่ถึงก็อยากแต่ก็ปรารถนาต้องการชื่นชมยินดีในพบที่ประณีสูงสูง ส, งสงขึ้นไปก็ยังชื่อว่าเข้าสู่วงจรของสังสารวัฏแต่แถ้าหากว่าภาวะตานหาเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากอาวิชชาอาวิชชาเกิดมาจากอะไรก็เกิดจากภาวะตานหาก็เข้ากระบวนการเหมือนเดิม การสรุปลงว่าจากกี่ช่วงก็ตามคือเหตุการณ์ให้ยาออกไปก็ยังไงก็ตามมันก็เท่านั้นเนะ่ยแกวิชาเท่านั้นเองหรืออย่างดีจะพูดอีกทีหนึ่งก็ภาวะตันหาซึ่งภาวะตันหามันก็เกิดมาจากาวิชาคล้ายๆกันจะนับเรื่องมะพราะ้าวจะเกิดมาจากอะไรก็ต้องยุติลงที่ใดที่หนึ่งคือมาจากผลหรือผลมาจากลูกหรือลูกมาจากผลมันก็กมุนด้วยอย่างนั้นเอง ดังนั้นในแนวนี้จึงเป็นแนวของสังสารวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยประยานที่เราเรียกว่าภูเพนิวาสานติจารย์การลึกชาติก่อนได้ในนิเทศคือการแสดงที่เป็นส่วนพระพุทธดำรัสเวลาแสดงเรื่องนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นแสดงเป็นสองแนวแนวหนึ่งเรียกว่า ปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งฉันจะพูดถึงทางเสื่อมอาจจะว่าสักอย่างสองอย่างอาจจะว่า4อย่าง5อย่าง6อย่าง7อย่างหรือว่าเป็น10บสอย่างก็ได้นั่นคือในยะหนึ่งมันเป็นเรื่องทางเสื่อมที่ส่งแสดงในยะหนึ่งในการแสดงให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นเพออัตยาศัยของผู้ฟังแต่ไม่ได้หมายความไม่มีเท่านั้นเราจะมีทางเสื่อมเหล่าอื่นอีกแต่สําหรับคนนั้นถ้าแก้ตรงนั้นได้มันก็ไม่เสื่อม เวลาไปในที่อื่นคนมีปัญหาอีกลักษณะหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องทางเสื่อมอีกลักษณะหนึ่งเพื่อเขาแก้ปัญหาของเขาได้ในจุดที่เขาต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่นั้นแต่แนวหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนิปริยายคือแสดงอย่างนั้นทุกทีไม่ว่าจะเทศอะไรก็เทศอย่างนั้นทุกทีเลยข้อนี้พึงสังเกตว่าแนวพวกปริยายเนี่ยนิปริยายคือคื อ, ค, อคือแสดงตายตัว ปเทศตั้งแต่ศาสนาใหม่ๆจนถึงนี้พ่านประเทศอย่างนั้นทุกทีมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมันเป็นสูตรไปเลยเดี๋ยวสูตรเหล่านี้ก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนไม่พ้นพบเท่านั้นเองเมื่อพระองค์คนพบพอมาแสดงมันก็เป็นสูตรตายตัวอย่างนั้นปัจจุบันก็คงจะอยู่ในสูตรอย่างนั้นดังนั้นเวลาท่านสมมติว่าท่านจะดูที่ทุกข์สัตย์ความจริงคือทุกข์กว่าอะไรบ้างมันก็ขึ้นอย่างนี้ทุกทีแหละ ชาติความเกิดเป็นทุกข์เจลาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ความพิริพิยลําพันธ์เป็นทุกข์กว่าไปเรื่ยอย่างนั้นทุกทีเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านนำมาใช้คําว่าตัตาไอตตาต า, า, า, า, าที่เป็น ท, ท, ที่จริงมันเป็นภาษาทางปริญาในาศาสนาเราก็ใช้นะฮะแต่ใช้ในตอนหลังหรือไม่ได้ใช้ในตอนแรกคล้ายกับอิทัปป จ, จิตตาในตอนแรกเราก็ไม่ค่อยใช้ พระเจ้าเองใช้จะมักจะใช้คำว่าปฏิจจสมุปาหรือปฏิจจสมุปันธธรรมส่วนคำว่าอิทธิปเจตานั้นถ้าพูดกับนักวิชาการนะฮะนักปราชญ์ที่เขาศึกษาพระพฤติปฏิบัติอยู่แล้วบางครั้งก็ใช้ภาษาเหล่านี้ในะยุคหลังใช้มากเพราะยุคหลังนั้นออชอบแสดงอะไรในลักษณะที่เป็นโบคานชอบเรียงภาษาออกไป แสดงความสามารถของตัวเองเวลาเขียนภาษาบาลีสนที่สมาธิตอกันเป็นแถวบางทีต้อง2อสาบรรทัดอย่างไม่ตัดออกสักตัวนะแสดงว่ามีฝีมือเขาคนนิยมกันอย่างนั้นก็ทำให้ของง่ายกลายเป็นของยากคนก็ถอยห่างศาสนาออกไปวิธีการใช้ของพระพุทธเจ้าจึงใช้ด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาที่ชาวบ้านก็าฟังได้แล้วก็เข้าใจได้ในขณะนั้นๆจะแสดงโดยในย่าหนึ่งในยะาหนึ่งก็ตามหรือว่าแสดงโดย อยุติลงตัวเป็นสูตรที่เรียกว่า น, นิปรยายก็ตามนั้นจะได้ใช้ภาษาที่เรียบง่ายแล้วคนทั่วไปจะเข้าใจได้แต่ก็ต้องยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นเพกของบุคคลว่าคนเหล่านี้พู ด, ดภาษาอย่างนี้เข้าใจพอไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เพราะว่าพูดอย่างเดิมเขาไม่เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้อยคําที่เขาคุ้นเคยก็เคยชินกันอยู่ในท้องชิ่นเหล่านั้นลนักษณะของต ร, รมาที่เป็นนิปรยายนั้น พวกยานทั้งหลายนั้นเป็นนิปริยายคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงปุเพนิวาสานติยานอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นความรู้ได้เกิดผุดขึ้นแกเราทําให้เราเราละลึกชาติบางก่อนได้ว่าร ะ, ะลึกชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3าชาติบ้างก็เรียงอย่างนี้ทุกทีฮะเพราะฉนั้นท่องจําได้สูตรเดียวก็ไปเจอสูตรไหนก็ว่าได้อย่างนั้นเหมือนกันเป็นการมองย้อนอดีต แล้วก็พระองค์วิเคราะห์เจาะลึกถงไปถึงเหตุในอดีตอย่างที่ปรากฏในปฏิจจสมุปาทและในพุทธอุทานว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนั่นเองโดยเฉพาะตัวเหตุปัจจัยหลักก็คือวิชาตันหาอุปาทานกรรมที่เป็นเหตุให้ทรงมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่ด้วยไปแต่ถ้าหากว่าตัดพวกนี้ลงไปได้ก็ปัญหาการเวรวรตายเกิดก็หมด แต่ตอนแรกนั้นเป็นการแสดงถึงสภาพชีวิตของพระองค์เองที่ผ่านมาในภพชาติต่งตางๆโดยการมองย้อนสู่ไปสู่อดีตการที่นานไกลโดยอาศัยพื้นเพคโดยอาศัยปุเพนนิวาสารนุตยานเป็นฐานแล้วก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นในชาติหนึ่งก็ดํารงชีวิตไปตามสมควรแก่สภาพของชีวิตดีบ้างไม่ดีบ้างทําความชั่วบ้างทําความดีบ้างก็ปนข้ากันไป แต่แล้วก็เกิดดีบ้างเกิดไม่ดีบ้างก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ตามสมควรแก่กรรมซึ่งเป็นตัวแรงดันส่งให้เวียนว่าอยู่ในตังสารวัรวตรที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่พบผู้สร้างเรือนคืออัตภาพในที่นี้ทรงใช้คำว่าผู้สร้างเรือนคืออัตภาพต่อมามาถึงช่วงที่สองคือหมายความว่า เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสัตรูของพระองค์แล้วสิ่งที่ได้มาจากการสัตสรูนั้นก็คือพระุฏิธรรมราที่รับสั่งว่าดู ก, ก่อนายนช่างคือตันหาผู้ทมเรือนบัด น, นี้เราพบตัวเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างอัตภาพให้แก่เราอีกไม่ได้แล้วในรรพระพุทธอุตาณ น, นี้ทรงชี้ไปที่ตันหาซึ่ง เช่นเดียวกับที่สมุทยัยคือชี้ที่ตันหาเหมือนกันทำไมไปชี้ที่ตันหาเพราะตันหานั้นเป็นอาการที่ปรากฏชัดปรากฏชัดแก่จิตของบุคคลทั้งหลายอย่างความยินดีอย่างเงี้ยเราแยกไม่ออกว่าทีมเป็นตันหาหรือไม่เป็นตันหาแต่ถ้าลักษณะของจิตมันดิ้นคือทะเทะเยอทะยานอยากดิ้น ดิ้นในอะไรก็ตามคืออยากได้ในรูปเสียงกินรถผลตพักก็ตามอยากจะเกิดเป็นเทพบุตรุเทพธิดาในสวงสวรรค์วิมานมีนางนางเทพ อ, อักษรเป็นบริวารพันสอพเป็นหมื่นเป็นโกดนะมันก็เห็นได้ง่ายเพระจิตมันดิน้นการพูดถึงตันหาจึงทําให้เข้าใจเร็วขึ้นสําหรับบุคคลผู้นั้นแต่นั้นพระธรรมเทศนาในแนวที่ชี้ถึงเหตุให้บุคคลต้องเกิดจึงมักเน้นที่ตันหา เจนตนาจะเนติปุริสังตันหาทาคนให้เกิดหรือว่าตันหาสิเนหังตันหาเหมือนอยางเหนียวที่มีอยู่ในเมเล็ดของพืชซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้พืชเดล่านั้นปลูกงอกอยู่ร่ำไปตันหานั้นพระองค์ได้ค้นพบแล้วและพระองค์ได้ดับแล้วซึ่งก็หมายควา ม, ความว่าความรู้จักตันหาใน ชันที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติจริงๆนั้นคือต้องรู้เมื่อตัณหานั้นก็คือตัณหาที่มีลักษณะอาการแผดเผาโลนใจของบุคคลให้เร่าร้อนดิ้นรนโดยเสือกมสบังคับให้สายไปในอารมณ์ต่างๆที่ใจไปกำหนด ร, หนร่หนาคร่ายนาปรารถนานาพอใจและเมื่อแกเกิดขึ้นถ้าหากว่าแกไม่ดับไปก็จะทาให้ใจของบุคคลนั้นสายอยู่ แล้วก็มีการกําหนดหมายของเราของเราของเรากันอยู่ร่ำไปจะทําให้จิตของบุคคลมีความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหมายความว่ายา่างใดก็ตามที่ตันหายัางไม่คลายไปจากใจนั้นใจก็อาจจะยินดีในพวกวัตถุกรารมทั้งหลายคือรูปสิ่งกลิ่นรสอย่างกล่าวอาจจะกําหนัดยินดีในภพที่ประณขึ้ น, น, น ป, ประณิตขึ้นไป เดีจะยินดีในสภาวะที่ปราศจากภพก็ได้ก็รสรุปรวมว่าก็คงเป็นอาการของตันหาอยู่นั่นเอง ล, ลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าเวลาทรงสแสดงประธรรมเทศนาหลังจากได้ประกาศประธรรมเทศนานั้นธรรมเทศนาจึงมีแนวในการลดลความรุนแรงของตัหา เราพื้นฐานทางจิตของบุคคลนั้นประกอบด้วยภวะตัณหาคือตัณหาที่สายไปในภพหรือความมีความเป็นต่างๆตลอดถึงต้องเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ยังไงยังไงก็ยังอยากเกิดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความเกิดไปได้ในภพในชาตินั้นๆ องเราจะแสดงธรรมะคือเอาในจุดหนึ่งปรับปรุงพบให้ประณีต ย, ยังไงเขาก็ต้องเกิดแล้วก็ขอให้เกิดในพุชาติที่ประณีตยิ่งขึ้นก็คล้ายๆกับคนนี้จําเป็นจะต้องอยู่ที่นี้แล้วก็ทํำยังไงถึงจะช่วยเขาอยู่ดีมีสุขแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเขาให้ได้มากที่สุดให้ได้ซึ่งก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งในการช่วยคนแล้วก็เป็นกลุ่มคนจํานวนมากเสียด้วยที่อยู่ในระดับนี้ เขามเทศนานแนวที่เน้นเรื่องกรรมโดยอเนกกับปริยายคือนายต่างๆหลากหลายออกไปทุกรูปแบบบางครั้งบางคราวคนเราก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาตีกันเองเช่นในกรณีของการแสดงเรื่องการสัตยรู้และก็ระลึกชาติกอดได้เนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาภาษาชาวบ้าน ใช้คําว่าเราเมื่อเป็นอย่างนั้ น, เ ร, เ, เ, น, นเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราเมื่อเป็นอย่างนู้นเราเมื่อเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็เลยทำอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็คือว่าพูดกับคนธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ภาษาธรรมดาพูดปั๊บเข้าใจปุ๊บไม่ได้ ب, พูดภาษาระดับประจาระดับนี้ก็เป็นความจริงชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะเต็มที่เลยแท้จริงในในแง่ของความจริงอีกชั้นหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้ากับเจ้าพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่คนเดียวกัน แต่ว่าในแง่ของสังสาระก็ไม่ใช่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คล้ายๆกับเรากับในสมัยเด็กกับเราในสมัยปัจจุบันนั้นเอาก็จริงก็ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะมีหลายส่วนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตเช่นความดีความชั่วความรู้ต่างๆตงลอดถึงโรคภัยไข้ขเจ็บเป็นต้นที่เคยเกิดแก่เราในอดีตการนานไกลคือในสมัยที่เป็นเด็กๆ ก, ก็ยังมีผลสืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบนัน แต่ว่าบางส่วนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายแต่ก็ไม่นในหมายความว่าแยกกันอย่างสิ้นเชิงจึงเป็นความจริงในชั้นหนึ่งในระดับของสังสารวัฏแต่บางครั้งบางคราวพอคนก็สูงขึ้นไปพระองค์ก็ไม่แสดงอย่างนั้น แ, แสดงเป็นรูปของกระบวนการของเหตุปัจจัยอย่างที่แสดงในแนวปฏิจจสมบบาทเพราะนั้นการเอกฟังธรรมะเหล่านี้ อย่าไปเข้าใจว่าธรรมะนั้นขัดแย้งกันที่จริงก็ไม่ได้จะขัดแย้งอะไรกันเป็นการแสดงแก่คนต่างระดับกันเท่านั้นเองคือพูดกับคนต่างระดับคนเหล่านี้ถ้าเอาภาษาที่เป็นปฏิจจสมุปาต์มาพูดก็จบคือฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ถอยห่างพระศาสนาถอยห่างธรรมะออกไปพระเราในยุคหลังโดยเฉพาะยุคที่พระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วก็ ไม่ได้เดินตามแนวนี้แหละที่บอกว่าชอบเล่นสับแสงชอบเอาสับยักษง่ายๆมาพูดได้ยากชอบ เ, อเรียงภาษาโดยรูปของสมาสิสนธิต่อกันเป็นบรรทัดบรรทัดนะฮะแสดงว่าปรีชาญาณอย่างลึกมากเลยคมขายมากไม่ว่านักบรรนคดีบาลีหรือว่านักดีสันสกิตก็ตามจะใช้แนวนั้นคือใครสามารถเตียวสับสนธิสมาดยาวกันเป็นคืบๆได้แล้วเก่งมากเลยคือสามบรรทัดประมาณสาบรรทัดก็ยังมีนะฮะพวกโสดกทั้งหลายพวกเอ บาลีทั้งหลายก็เรียกสมาทองนะม่เรียกสมาทองคือในตัวสมานั้นมีทั้งสนธิทั้งสมานก็ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วเวลาถอดเรียงกันก็ได้ทั้งเป็นหน้าๆเลยทั้งๆ ท, ที่ว่าถ้าท่านเรียงถอดเรียงอย่างนั้นคนจะง่ายต่อการเข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นว่าท่านเด่นตรอนก้นต้องแสดงปมเด่นของตนแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้แสดงปมเด่นของตนในการแสดงธรรมะตามปมเด่นของผู้ฟัง ใครฟังก็มีปมเด่นจะจะเรียนรู้จะเข้าใจยังไงก็จะแสดงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้แสดงปมเด่นอะไรคนในยุคหลังนั้นก็มีกิเลสเป็นเหตุให้แสดงปมเด่นเวลาเทศก็แทนที่จะมุ่งเจาะไปที่ปมเด่นของคนก็มุ่งเชิดชูตนเองก็สร้างปมเด่นของตนเองและในที่สุดกลายเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมาคือธรรมะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆคนก็สัมผัสไม่ถึง เรื่องธรรมดาสามัญก็พูดทำมันยากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูตรมาตาเรือนะถ้าดูธรมาตาเรือกันหน่อยมันก็มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้มีวิเคราะห์บริษัทไม่วิเคราะห์พื้นเพ ข, ของคนจะพยายามแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของธรรมะอยู่เรื่อยไปในที่สุดคนก็จางจากธรรมะคือถอยห่างจากธรรมะออกไปเพราะรู้สึกว่าแม้จะปีนบันไดฝั่งก็ขึ้นไปไม่ถึงก็เลยาศาสนาก็เสื่อมมาโดยลาดับ วิธีการของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีการที่หลากหลายหลากหลายไปตามพื้นเพของคนฟังในจุดนี้เองนะในจุดที่ว่าเนี่ยคือตันหาผู้สร้างเรือนเนี่ยสร้างเรือนคืออัตภาพเนี่ยพระเจ้าก็แสดงแบบหลากหลายออกไปคนระดับหนึ่งต้องการจะทําลายอัตภาพคือตันหาผู้สร้างเรือนก็ใช้ธรรมะอีกแนวหนึ่งแต่คนอีกพวกหนึ่งยังต้องการตันหาผู้สร้างเรือนจะต้องการเรือนนะฮะ ก็เปลี่ยนจากเรือนมาเป็นวิมานเป็นทิพยาวิมานสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสภาวะเป็นพรหมมันก็มีภาวะตันหาอยู่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันมีความประณีตในเชิงครบชาติขึ้นตันหาก็ยังมีอยู่แต่ตันหาจะเผาลนใจได้น้อยลงเป็นกุศลระดับที่เรียกว่าวัตการมีกุศลคือยังเวียนว่ายอยู่ในทังสารวัตรแต่ก็มีความสงบสูงขึ้นโดยลําดับ ในกรณีของตันหาผู้กระทำเรือนพระพุทธเจ้าก็แสดงสองแนวเหมือนกันคือแนวแรกเป็นการลดนายช่างผู้ทําเรือนคือเปลี่ยนฝีมือให้ในายช่างประนีตขึ้นหน่อยยังไงยั ง, งก็มีเรือนบ้านหน้าอยู่หน่อยแต่๋ยชั้นหนึ่งมันก็ทําลายนายช่างผู้กระผู้สร้างเรือนเสเลยคือคือทำลายตันหาทีนี้ทรงแสดงสภาวะของสังสาระนะฮะสภาวะของสังสาระตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของโวขาร แต่เมื่อแสดงที่พระองค์นั้นแสดงตั ว, ต, วตัวโครงสร้างใหญ่ต้งใช้คำว่าเรือนยอดเรือนยอดของเจ้ า, าพร้อมด้วยโครงสร้างทั้งหมดนั้นเราได้ทําลายหมดสิ้นแล้วนะฮะเรือนยอดในที่นี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นภาพของเรือนยอดนะฮะเรือนยอดมันสอบขึ้นไปแล้วสิ่งทั้งหลายมันเกี่ยวเนื่องกับยอดคือคือคือคล้ายๆกับเราสร้างอะไรเนี่ยเรียงมาจากข้างบนแล้วแล้วมันมันไปประสานอยู่ที่ข้างยอด ข้างบนไม่ว่าคืออะไรเนี่ยคือคานต่างๆ ต, ต, ตลอดถึงเสาถึงข้างล่างมีส่วนเกี่ยวพันอยู่กับตัวยอดข้างบนทั้งนั้นเลยคือนี้เรียงมาจากข้างบนแต่ว่าอย่าไปติดใจไปต้องเรียงจากข้างบนทุกทีนะฮะไม่แน่ถ้าเรียงแบบต้นไม้จะเรียงจากข้างล่างถ้ายกออกมาด้วยต้นไม้จะพูดจากข้างล่างเอาอาวิชชาเป็นมูลรากอยันที่พระเจ้าท ร, ทรงแสดงว่าทุกกติทั้งหลายในโลกนี้และในโลกอื่นนั้น ทั้งหมดมีอวิชาเป็นมูลรากนะฮะมีช้าคือความปรารถนาโลภะคือความโลภเป็นโครงสร้างนั่นคือแสดงแบบต้นไม้ก็ขึ้นอยู่กับรูปธรรมอะไรจะยกมาเปรียบเทียบรูปธรรมแบบเรือนยอดก็ยองมาจากข้างบนสมัยนั้นอาคารบ้านเรือนก็คงจะไม่ได้ออตอกเข็มอะไรลึกๆนะฮะเพราะว่าดินทางอินเดียนแข็ง ก็ไม่ตอนนมาไปก็ไม่เห็นก็ต่อเข็มอะไรกันมีเต ท, ทคานใหญ่ไว้ข้างล่างแต่นั้นเองเพราะงั้นถ้าไปยกข้างล่างมันก็ดูไม่ชัดโดยเฉพาะมันยกไปจากข้างบนจะเห็นว่าทุกอย่างมันสอบอยู่ที่ยอดยอดสูงสุดถ้าทําลายยอดบ้านเรือนทั้งพังพังเหมือนกันส่งใช้คาว่าเรือนยอดคืออะไรเรือนยอดคือวิชาไปเลยตัวยอดจริงๆนะฮะตัวยอดคือวิชาที่นี่โครงสร้างที่เกี่ยวกับยอดนั้นก็คือบรรดาพราะกิเลส ท, ทั้งหลายตามตามปกติก็ขึ้นอยู่กับว่า เช่นแสดงว่าสังสาระจักแสดงแบบล้อก็จะแสดงอีกแนวหนึ่งล้อมันคืออะไรอะไรเป็นดําอะไรเป็นกรงอะไรเป็นเพลาของรถของล้อเหล่านั้นโดยใช้ชื่อของกิเลสนะฮะไปกํากับไอสิ่งเหล่านั้นก็เห็นในรูปของการเคลื่อนไหวว่าไอล้อรถมันจะไปได้ยังไงมันต้องมีเพลามันมีต้องมีกรงต้องมีกมจึงจะหมุนไปได้ไอการการเวียนว่ายในสังสารวัฏมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องมีเป็นรูปของกรงรูปของกำหมายรูปของเพลาถึงจะหมุนไปได้ ก็เอานี้นะฮะวิชาตัณหาอุปาทานกรรมนะพอชีวิตก็มีอาหารต่อยทีนึ่งเป็นปัจจัยของรูปคือรูปมันจะเกิดขึ้นมาด้วยอย่างนี้แล้วก็หมุนก็อย่างนี้ก็ก็ขึ้นอยู่จะกับไอรูปวัตถุนั้นเราจะไปติดในรูปวัตถุนะขึ้นอยู่กับพระเจ้าไปไปเห็นอะไรแล้วก็นั่งใกล้อะไรคนสามารถจะเข้าใจอุปมาอย่างไงก็ใช้สิ่งเหล่านั้น ในตอนนี้เป็นพระพุทธอุทานของปรองเอง็งพุทธอุทานนั้นเป็นลักษณะของภาสิทธ์ที่เกิดขึ้นด้วยพระยานเขาเรียกว่าปีติสมนัตสยานคือพระยานที่เกิดขึ้นปีติสมนัตแล้วเป็นเหตุให้เปล่งพระพุทธอุทานขึ้นส่วนมากจะเกิดด้วยอัตยาสัยของปรองเองนะเกิดด้วยอัตยาสัยของปรองเองแต่บางการณีคือมีสิ่งข้างนอกเป็นตัวกระตุน้นแล้วให้เกิดพระพุทธอุทานขึ้น เช่นคราวที่พระญาติทะเลาะแย่งน้ำในแว่น้ําโรยนีก็ทรงเปล่งพระพุทธรูปนั้นแสดงว่าก็มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่พระองค์วิเคราะห์พระองค์แล้วก็เห็นปราตจากเวรภัยไม่ต้องไปทะเลาะแย่งน้ํากับเขาอย่างนั้นก็เกิดปีติสมปนะสยานขึ้นมาที่พิจารณาเห็นธรรมะภายในพระไทัยของพระองค์ก็ทรงเปล่งพระพุทธรูปขึ้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือส่วนมากแล้วก็จะเห็นธรรมะภายในพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์ก็จะทําลายเรือนยอด ของนตันหาเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นไอ้อะไรเป็นโครงสร้างก็ตันหาประธานกรรมก็เป็นโครงสร้างทั้งบดของเรือนจอดแต่มันเกี่ยวนเนื่องกับเรือนยอดนะฮะมันเกี่ยวเนื่องกับตัวยอดพอทําลายยอดอย่างอื่นมก็พังนะ เ, เหมือนกับบ้านไม้หรือหลังคาไอ้ฝนมันก็ตกรถถูกแดดถูกอะไรมันก็พังเปือ่อยเปือ่อยเปื่อยหน้าพังไปไอ้สภาพผ้าแพงสังสารวัตรก็มีลักษณะเช่นนั้นทีนี้พอแสดงในอุ ป, ปมานะฮะอุปมาอย่างที่ยกตัวอย่าง คือพระองค์พูดในแนวเขาเรียกว่าอะไรสมับคนทั่วๆไปชนะี้เห็นถึงทุกติทั้งโลกนี้และโลกหน้าทุกติที่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้ายากะดาจิดุกติโยนะอัศมิงโลกเกปรมิจอวิชามูลกาสัป บ, บาอิสาโลพระสมุตสยานะคือทุกติทั้งหลายในโลกนี้และในโลกอื่น มีอวิชาเป็นมูลรากทั้งหมดมีอิสาคือความปรารถนาโลภคือความโลภเป็นโครงสร้างอันนี้พูดสภาพชีวิตนะฮะสภาพชีวิตต้องการชีท้ทุกติในโลกนี้มากกว่าที่จะชี้ทุกติในโลกหน้าเพื่อคนเห็นว่าแต่ายามใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลยังมีความปรารถนาที่สายไปในอารมณ์ไม่มีสิ้นสุดจนกลายเป็นความโลภจัดนะฮะโดยมีอวิชาเป็นตัวนํา เป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นจิตใจก็เล่าร้อนนะฮะเล่าร้อนมันก็เป็นอบายเป็นทุกขติเป็นนิวาดเป็นเป็นนรกในขณะจิตพูดถึงสภาพจิตเป็นประการสาคัญแต่ก็ยังยังยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมเป็นโครงสร้างแบบเดิมแต่โครงสร้างที่พูดจากล่างขึ้นไปข้างบนแล้วพูดจากบนลงมาข้างล่างนั่นคือสิ่งที่ทรงอุปมาเปรียบเทียบจริงเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปแบบนะฮะไม่ใช่ตัวเนื้อหา รูปแบบไหนที่คนก็จะเข้าใจก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นเข้าเป็นอุปกรณ์เป็นสื่อในการแนะนำสั่งสอนอแสดงเห็นว่าสังสารจักรในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรของบุคคลทั้งหลายนั้นในกรณีนี้ทรงพูดด้วยเรือนคือตัวสร้างสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นบ้านสร้างเรือนคืออัตภาพพระองค์ก็พูดแบบเรือดว่าโครงสร้างใหญ่ซึ่งเป็นยอดสุดนะฮะของ อัตภาพคือเรือนก็เกิดขึ้นมาจากอวิชชาอวิชชาเป็นเป็นปัจจัยก็เกิดสังขารสังขารปัจจัยก็เกิดปัญญาณก็เดินตามกระบวนมารนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล่านี้เมื่อพระองค์ทําลายได้ตัณหาก็ไม่มีอํานาจอิทธิพลอะไรจะมาสร้างเรือนคืออัตภาพให้พระองค์ได้อีกต่อไปออต่อมาก็ทรงแสดงสภาพประไทัยของพระองค์ ว่าวิสังขาระกระตังจิตต่างจิตของเราปราศจากตัณหานะแต่ถ้าแปลจำนวนบาลีก็แปลยากหน่อยว่าเรามีตัณหาไปปราดแล้วนะไปปราศแล้วก็ฟังยากหน่อยก็เอาใจาว่าจิตไม่มีตัณหาจิตของพระองค์นั้นไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาตัณหาเป็นตัวสร้างภพสร้างอัตภาพสร้างไอสังสารวัตรไม่ไม่มีตัณหาก็มีไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สร้างก็ชื่อว่าเป็นการยุติสังสารวัตรเอ่อ จากจุดนี้ถ้าท่านหา ก, หากจะนำไปเปรียบเทียบในจุดอื่นนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นความลงกันสมกันหมดโดยรูปแบบอาจจะแตกต่างกันภาษาโวหารที่ใช้ดูจะไม่ค่อยตรงกันนะคล้ายจะไม่ค่อยตรงกันแต่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันกับพระยานถามเพราะว่าพระวุทธุธานข้อ น, นี้ทรงเปล่งเมื่อบรรลุอาสวัขยาย พระองค์ทรงบรรลุอาสวัคคายานก็มองย้อนกลับเลยมองย้อนกลับอาสวัคคายานมันเกิดเป็นอะไร ค, คือจะลงกันหมดฮนะจะลงกันหมดกับหลักที่เคยเคยพูดในมันก่อนว่า ต, ตัวอาสวัคคายานนั้นก็คือกัตตาญานกัตตาญานที่รู้ว่าทุกควรกาหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วก็จบ เป็นการรู้อริยสัจสี่ 4, ตามความเป็นจริงกัตตาญานปัญญาณตัวที่3นะฮะเป็นองค์ที่3ามมใช้ตัวองค์ที่สามเมื่อเรียงตามลำดับพระญาณที่ได้บรรลุในราตรีสัจธรรมในช่วงแรกช่วงแรกที่ว่าเราเมื่อสแสวงหานายช่างคือตัณหาผู้กระทำเรือนเมื่อไม่ประสบต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นนานมากนั้น แสดงหเห็นผลถึงประยานสองข้อนะครับคืออุเพนิวาสานุจยานดังที่กล่าวแล้วเป็นภาพของความเคลื่อนไหวในอดีตนะเกิดดับมาในอดีตที่หนุนเนื่องกันมาไม่ได้ขาดสายแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างก็คือกรรมที่พระองค์ทรงรู้ด้วยจตูปปาติยานคือการรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ารู้คราวแรกก็รู้ของพระองค์เอ ง, เองนะ เพราะว่าเป็นการศึกษาตรวจสอบในส่วนของพระองค์เองดูในส่วนของพระองค์ที่หมุนบนมานั้นก็เพราะกรรมเพราะงั้นญาณทั้งสองนี้ก็ทำงานประสานสัมพันธ์กันแต่การแยกในลักษณะ น, น, นี้เป็นการแยกแยกในชั้นละเอียดชั้นละเอียดเท่านั้นเองเพราะเวลาพูดเวลาแสดงพระยานนี้จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่พอพูดถึงการกระทําของคนมันก็เกี่ยวข้องกับสังสารวัฏเกี่ยวข้องกับกรรมอยู่แต่พอยานเป็น เป็นการจำแนกธรรมในในแต่ละขณะทําให้เราเห็นว่าองคธรรมคล้ายๆจะแยกต่างหากออกไปในการละนั้นในการให้เกิดนั้นแน่นอนก็เกิดขึ้นคนละช่วงกันแต่ว่าเกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกันกคล้ายๆกับ เ, เราเขียนหนังสือได้นั่นแหละ เ, เขียนหนังสือได้เราอ่านหนังสือได้มันก็สนับสนุนกันตั้งแต่อนุบาลมาสนับสนุนกันมาเรื่อยก็แยกมาจากความรู้ในอดีตไม่ได้ สิ่งที่เราเรียนรู้ในในปัจจุบันก็มีปัจจัยสนับสนุนมาจากสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ในอดีตยานคือความรู้ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จะมีการสนับสนุนส่งเสริมกันอยู่ไต้จุดตูปปาตยานของพระองค์นั้นก็คือการสามารถจำแนกแบ่งแยกความเลวความปรนณิตของคนทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมไอ้ตามกรรมเพราะฉะนั้นเวลารับสั่งย่เ ย, เ ย, เย้ ย่อเยย์ตันหานั้นแสดงให้เห็นในรูปของสังสารวัตรอยู่เหมือนเดิมอันเป็นผลจากประยานทั้งสองข้อนี่แหละที่ว่าตุกคอนในช่างคือตันหาผู้กระทำเรือนอันนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพของเราไม่ได้อีกแล้วเรือนยอดพร้อมด้วยโครงสร้างทั้งหมดของเจ้าเราได้หักซี่โครงนะฮะหรือโครงสร้างก็ได้ของเจ้าเราได้หักทาลายหมดแล้ว นี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระญาณทั้งสามเลยพระญาณทั้งสามเวลาแสดงมันก็เป็นผลที่แสดงให้เห็นว่าพระพเจ้ามีพระญาณทั้งสามจึงพูดเรื่องเหล่านี้ได้วิเคราะห์พระองค์ได้อย่างชัดเจนต่อมาก็มาถึงนี้เป็นผลที่สมบูรณ์นะเป็นผลที่สมบูรณ์คือคือมากลับอไอ้นั่นช่วงแรกเป็นพระองค์ในอดีตนะช่วงพระองคอ์ช่วงที่สองนั้นพระองค์ก่อนที่จะบรรลุพระญาณ แต่ช่วงที่สามนั้นเป็นช่วงที่บรรลุพระาญาณแล้วแต่สถานะมันก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะสถานะไม่ก็เหมือนเดิมคือเหตุปัจจัยในอดีตนั้นไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นเหตุให้หมุนวีนในสังสารวัฏนะเหตุปัจจัยบางอย่างก็ยังมีอย่างหนุนเนื่องกันอยู่โดยเฉพาะเหตุปัจจัยในที่เป็นกุศ ล, ลธรรมหรืเหตุปัจจัยในเชิงรูปธรรมก็มีการไหลกันหนุนเนื่องกันมาอยู่แต่สภาพอ่าสภาวะของจิตที่ส่งแสดงในที่นี้นะฮะ เฉพาะในพระพุทธอุทานนี้จงใช้คำว่าวิสังขาระคตังจิตตังจิตของเราปราศจากการปรุงแต่งหรือปราศจากสังขารสำนวนบาลีบางทีมันติดอุปสรรคคือคือเป็นอุปสรรคเวลาแปลเวลาแปลก็เรียกว่าแปลโดยพ ย, ยัญชนะนะจิตเรามีสังขารไปปราศแล้วนะ ที่ก็โยมอาจจะนั่งคิดไอ้ไปปาดแล้วในมาความยังไงก็เลยอภรเทศเรื่องอื่นต่อไปเลยก็ติดตรงนี้เป็นสนิมใจอยู่เพราะฉะนั้นเวลาแปลจึงแปลชั้นหนึ่งก็เรียกว่าแปลโดยโดยอัดถะคือเอาเฉพาะเนื้อหาแปลอย่างนั้นว่าพระไตรของพระพุทธเจ้าเมื่อช่วงก่อนที่หมุนบนนั้นเพราะมีสังขารเป็นตัวปรุงมีสังขารเป็นตัวปรุงนะแต่ว่าทรงใช้คําว่าสังขาร น, นั้นหมาความเมียวิชาด้วยนะฮะเพราะวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารและการเป็นปัจจัยเกิด วิญญาณเป็นอาการต่อเนื่องแต่จะพูดเฉพาะสังขารก็ได้เหนะมือนก็พูดว่ากินข้าวอย่างนี้ฮะแต่ว่าคําว่ากินข้าวนั้นไม่ได้กินเฉพาะข้าวกินหมากไม่ได้กินเฉพาะหมาก เ, เรื่องภาษาเป็นเครื่องส่องให้เห็นอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอาจจะใช้วิชาก็ได้อาจจะช้สังขารก็ได้แต่จริงเมื่อพูดถึงสังขารก็ต้องพูดถึงอวิชาด้วยเพราะถ้าไม่มีอวิชามันก็ไม่มีสังขารการที่มีสังขารอยู่เพราะยังมียวิชาอยู่ คำจึงจึงบ่งถึงสิ่งอื่นที่ไม่พูดถึงด้วยนะที่ไม่พูดถึงด้วยจึงึงเราจะต้องเข้าใจในแง่ของของปัจจัยการาเอ๊ะทำทำไมไม่ตรงกันก็ตรงกันนะตรงกันนั่นเองเป็นวิสังขารเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามคนละด้านกันโลกนั้นเป็นสังขารโลกิยะเป็นสังขารจิตของคนทุกคนนั้นเป็นสังขารทั้งหมดเลยก็มีเครื่องปรุงอยู่ทั้งหมด ปรุงตลอดระยะเวลาเลยปรุงดีปรุงไม่ดีก็ไม่รู้สังขารมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆนะฮะเพราะงั้นใ จ, ใจคนก็พร้อมที่จะถูกปรุงด้วยจริงเหล่านั้นทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆแต่พระทัยของพระองค์ก็เข้าถึงสิ่งที่เรียวกว่าวิสังขารคือไม่ถูกปรุงอีกแล้วไม่มีเครื่องปรุงอีกแล้วสิ่งที่พระทัยของพระองค์นั้นก็เป็นก็เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรียกว่าเป็นโลกุตระนะฮะเป็นโลกุตระไอ้สิ่งที่ปรุงมันก็กลายเป็นโลกุตระไป เมื่อเป็นวิสังขารมันก็กลายเป็นอะไระเป็นพู้โดยภาษาธรรมดาก็คือเป็นสุขพูดถึงนิพพานก็ไดนะฮะนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะฮ ะ, ะนิบารนังปรามังว่าดันติบุทธาในไหลอวตารปาติโมกขันปุร้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมก็แรกจะจะพูดถึงสภาวะ พูดในแง่ไหนในแง่สูงสุดก็ถือว่าเป็นบรมธรรมเป็นสภาพจิตที่เป็นที่สูงสุดคือเป็นบรมธรรมพูดถึงในแง่ผลที่สัมผัสนะก็จะพูดว่าเป็นสุขหรือว่านาัตสันติประังสุขข้างสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มเีเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของคนท่านทั้งหลายลองสังเกตนะว่าเออก็จริงแล้วเราต้องการสุขสงบสุขกัความสุขกับความสงบเท่านั้นเองสุขกับความสงบ ไม่ว่าจะจะจะจะดิ้นรนแสวงหาแบบไหนก็ตามถ้าไม่ได้สุขไม่ได้ความสงบก็ดิ้นสมหรับชาวบ้านเราก็พอได้สุขได้สงบมันก็หยุดดิ้นระยะหนึ่งฮะแต่ว่าดิ้นต่อยดิ้นต่อไปยังที่เกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาก็ต้องดิ้นให้เที่ยวจนได้นะเที่ยวแล้วก็จะหยุดดิ้นในจุดนั้นแต่ก็จะดิ้นในเรื่องอื่นต่อไปเพราะอย่าปัดปัจจัยการดิ้นยังมีอยู่สําหรับพระพุทธเจ้านั้นหมดปัจจัยสำหรับดิ้น จึงไม่มีการดิ้นไปด้วยการสายไปในอารมณ์ทั้งหลายเป็นกลายเป็นวิสังขารหรือบางบางทีจะพูดยังไงฮะจะพูดในแนวทีเ่เป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลกโลกมีอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็ตรงข้ามกับโลกอะไรอนิจจังก็คือนิจังทุกขังก็คือสุขขงังมาตรงกันข้ามเนี่ยฮะอนัตตาแต่ไม่ใช่เป็นอัตานะอย่าอย่าว่าเป็นอนตา ไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เข้าถึงภาวะของอนัตตาคือว่างว่างจากกิเลสดังนั้นจึงมีคาว่าบาลีว่านิบา น, างบาบางนังบาังสุนจังนิพานเป็นสภาพที่ว่างนะว่างอย่างยิ่งตรงนี้ที่ที่คิดเราเอาอเอาไปหักนะคิดเอาไปหักของเราตรงตรงนี้ฮะเป็นเป็นเป็นนิจจังฮะเป็นสุขขังเป็นอัตาแกนึกว่าตรงกันข้ามนะแกนึกว่าตรงกันข้ามที่จริงไม่ใช่ เป็นอนัตตาในความหมายว่าว่างว่างจากตัวเราของเราตัวตนของเราคือว่างจากตัณหาอุปาทานทั้งหลายนะฮะไม่มีคำว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราลักษณะของวิจารขันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นภาษาที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็คล้ายๆกับอธิบายรสชาติของอาหารไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายแต่ก็บอกถึงสิ่งที่บุคคลก็สัมผัสอยู่ ให้เป็นแนวในการพินพิจารณาเท่านั้นส่วนการจะทราบซึ่งตึงตราจริงๆเห็นจริงๆนั้นก็ต้องเป็นเรื่องเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกรรมวิธีอย่างไงาผู้ปฏิบัติต้องการสัมผัสผลก็ต้องปฏิบัติตามวิธีการเหล่านั้นแล้วก็จะเห็นผลของขอ ง, ของคํว่าวิสังขารจริงๆนั้นคือเป็นอย่างไรพอถึงจุดนั้นมันไม่ต้องเถียงนะฮะที่เถียงกันอยู่นั้นเพราะว่าตัวเองไม่ได้สัมผัสแต่นั่นเอง จุดๆนั้นแล้วไม่มีใครก็เถียงกันแล้วนะฮะตั้งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีการเถียงแล้วที่เถียงเถียงแสดงว่าใครก็ตามที่ยังเถียงกันนั้นเป็นผู้ตุชนเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเราไม่ต้องไปคุยโม้เป็นพระอรหันต์ที่ไหนแร้วพระอรหันต์ไม่เถียงกับใครนะฮะไม่มีเรื่องที่จะต้องเถียงเลยเพราะเหมือนกันหมดเห็นเหมือนกันหมดทุกรูปเห็นเหมือนกันหมดปุเพนิวาสารปิญานเกิดที่ใครก็ตามเกิดที่ภิกษุภิกษุนิอุบาสกอุบาสิกาเกิดได้เหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ระลึกท่าก่อนก่อนได้หมด การเถียงว่าชาติหน้ามีไม่มีบุญบาปมีไม่มีเขาไม่เถียงกันไม่มีอะไรที่จะต้องเถียงทำไมฮะเพราะว่าโสดาบันขึ้นไปตัดวิจิตริษาได้แล้วสกฤตยทิฐิได้แล้วการเรื่องที่จะต้องเถียงกันเป็นเรื่องระดับโลกเท่านั้นเองระดับสูงแล้วจะไม่มีการเถียงกันดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายลองสังเกตนะฮะว่าระดับอาจารย์กรรมฐานที่เก่งจริงๆไม่มีเถียงใคร อาจารย์อาจารย์ที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีการเถียงกับใครหรอกแต่ว่าที่เถียงนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าไม่ได้เข้าถึงเรื่องนั้นจริงๆอาจจะเป็นภาพหลวงตาขึ้นมาก็อาจจะเถียงได้พระพุทธเจ้าตรมบอกว่าเรงไม่เถียงกับใครไม่ต้องเถียงกับใครในโลกนี้ว่าเรื่องอะไรก็ตาม เพราะใดพระพระองค์รู้ความจริงอย่างไรก็รู้อย่างนั้นแต่มีคนเถียงกับพระองค์นะมีคนมาเถียงกับพระองคพ์พระองค์ไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่โลกอย่างทะเลาะ ก, กับพระองค์คนที่ไปท้าทายไปสอบถามไปทุ่มเถียงอะไรหรือไปขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องของโลกไปไปก้ปาวรา้าวพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าไม่ก้าวร้าวโลกหรอกมีแต่โลกก้าวร้าวพระองค์เท่านั้นแล้วก็สภาพเหล่านี้สภาพของขอ ง, ของอวิสังขาร น, นะฮะวิสังขาร คือจิตที่ปราศจากเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นเหตุแห่งพบนะฮะเป็นเหตุได้เกิดวิญญาณนะฮะเป็นเหตุได้เกิดวิญญาณ น, นามรูปสลายาตนะอีกทีหนึ่งก็เดินไปไปตลอดกระบวนการของเขาอะจิตของพระองค์เป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่มีอะไรไม่ปรุงแต่งเลยมันมีแต่กุศลธรรมล้วนนะฮะปรุงแต่งท่านที่ศึกษาวิธรรมมาก็จะเห็นว่าเป็นโลโลกุตระเจตสิกนะฮะพูดหลงภู่ไม่เรียวกว่าโลกุตระภูมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอก แต่ภาษาที่พูดนั้นหมายถึงสิ่งปรุงแต่งเป็นเหตุไปสู่ภพตามกระบวนการของปัจจัยการไม่ใช่ตามประจุบกบวนการของปฏิจจสมบัติที่พูดมาในบรร GN นั่นแหละไม่มีสิ่งเหล่านั้นจึงใช้คาวิสังขารเมือม่อวิสังขารโลกมันเป็นสังขารพระไทัยของพุทธเจ้าเป็นวิสังขารพระพุทธเจ้าจึงมีพระทยยัยเป็นโลกรุตระทั้งหมดนะทุกรูปแบบคือไม่ไม่ได้มีภพแต่เป็นภูมิ เป็นภูมิจิตอย่างที่เคยบอกมาในวันก่อนเรื่องของภพของภูมินีอว่าทรงแสดงภพสามภพแต่แสดงภูมิสี่ภูมิคือเป็นชั้นของจิตที่มีความประนีตขึ้นไปเหนือภพแต่ก็ยังเป็นภูมิเป็นโล ก, กุตรภูมิเพราะงั้นสภาพจิตที่ถึงโล ก, กุตรภูมิจะเป็นสภาพจิตที่ไม่มีปัญหาไม่มีการถกเถียงไม่มีความเครียดแครงสงสยัยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระใครนอกจากใครคนอื่นก็จะทะเลาะวิวาทกับท่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ตัณหานางขยามัจจิกาคือสิ้นตัณหาสิ้นตัณหานี่เป็นผลที่ต่อเนื่องกันนะฮะจิตปราจะจากสังขารเป็นการยืนยันช้าลงไปอีกทีว่าสิ้นตัณหาคือถ้ายังมีตัณหามันก็เป็นสังขารนะฮะมันก็ข้าปรุงตอกจําลงไปอีกทีหนึ่งถึงสภาพจิตเดิมนั้นเองนะจิตที่เป็นวิสังขารนั่นเองว่าเป็นยังไงคือสิ้นตัณหา ตันหาเป็นเครื่องนําไปสู่พบตันหาในอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าจะจ ะ, จะเรียกยังไงก็ตามนะอาจจะเรียกตันหาร้อยแปเนี่ยเออวันก่อ น, นมีพระเข้ามาถามโยมก็ถามมาตันหาร้อยแปเป็นยังไงอามาก็บอกให้แล้วก็บอกไปบอกโยมบอกอย่าวุ่นวายไกลร้อยแปดเอ า, ามข้อไม่เรียบร้อยซะก่อนเนยมายุ่งยุ่งมเปล่าแก้เรื่อง3ข้อมันได้ซะก่อนนี่ยไวุ่นไม่เข้าเรื่องมาตันหามากขึ้นเลย แก้รเรื่องไอ้เรื่องสามข้อเนี่ยการมาตหาว่าตหาวิวาตหานได้ก่อนไม่ต้องไปนับไปร้อแปดมันท่าไหราแก้ตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องมีตัวเลขไอ้ร้อยแปดพันเก้าพันห้าอะไรหรอกไม่ไม่มีราบรอยู่จากตรงนี้แหละถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ตัวเลขนั้นเป็นเรื่องหลากหลายโวหารแต่นั้นเองนะเป็นเรื่องของโวหารเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปติดใจทําไมมันมากอย่างนั้นเพราะการพูดกิเลสเนี่ยก็ต้องพูดน้อยๆนะฮะ พูดน้อยๆคนต้องลากิเลสเนี่ยไปพูดกิเลสมากๆเขากลัวกิเลสไปเลยเลยไม่กล้าลามันใหญ่โตเป็นยักษ์เป็นมารมาต้องพูดน้อยๆเป็นโบหารของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะไม่พูดมากๆนะะจะไม่พูดมากๆที่พูดมากๆนั้นเรามาพูดกันทีหลังนะทีหลังเช่นมันนับไอ้กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรอะไรนี่โบหารนะคิดกันทีหลังที่จริงสภาพจิตเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่พูดพระพุทธเจ้าพูดว่ารู้ว่าทำตรงนี้แล้วตรงอื่นไม่ต้องพูดมันหมดไปเองฮะ หมดไปเองอย่างตัณหาร้อยแปดมันก็ก็คืออะไรฮะก็คือตัณหาในรูปเสียงกินรสปวดตาพระรูปปัะตานาไอรูปปัะตานาแต่ถ้าตัณหารัศาตัณหาปวดตาพระตัณหาธรรมตัณหาเนี่ยก็ตัณหาในรูปเสียงกินรสปวดตาพระธรรมะรตัณหามันสายไปด้วยการมาตัณหาสายไปในอดีตบ้างอยู่ในปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างก็สายสายแล้วก็คูณกับการมันก็มันก็ได้นะ คูณคณูเพิ่มเ่มขึ้นก็หยาบละเอียดประนีตนะฮะสามชั้นอีกทีคูณอีกทีอทียังได้อีกเลยก็ไม่ได้แปลกันเลยคูณกันไปคูณกันมาเป็นตันหาั้งเป็นกองกองเลยก็น่ารกตัวจริงไม่นะฮะเอาเฉพาะสามข้อให้ได้ก่อนหนะ้านะไม่ต้องไปสนใจมันเอา108ไปร้อยแปดเท่าไรแก้ตรงนี้แล้วก็ชื่อว่าแก้ตรงอื่นหมดเลยเพราะมันเป็นกระบวนการเดียวกันเท่านั้นเองเป็นลักษณะสายไปของจิตพูดได้หลากหลายออกไปโดยโวหารเพื่อให้เห็นความรุนแรงนะฮะ แต่ว่าอาการให้เห็นความรุนแรงบางครั้มันก็กลายเป็นน่ากลัวมันมากเกินไปเลยเมืองก็พูดถึงค่าศึกมามากเนี่ยแทนที่จะสู้เลยกลายเป็นถอยหนีค่าศึกไปเลยแต่เราพูดได้เห็นจํานวนน้อยนะแต่ว่าจับแม่ทัพจับหัวหน้านกองทัพทั้งกองทัพมันแตกเลยไม่ต้องพูดมันหลายพลทหารเล็กๆน้อยๆทั้งหลายวิ่งหนีเข้าป่าเองเออการการมองกิเลสจะต้องมองในมุมให้ใหญ่มันใหญ่เกินไป ถ้าใหญ่เกินเราแล้วเราจะกลัวนะฮะแต่ถ้าเราใหญ่กว่าเราก็ไม่ค่อยกลัวเขาสภาพจิตของพระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นสภาพจิตที่สิ้นตานหาการพิสูจน์ยืนยันเวลานี้เรามีาพยายามที่จะวิเคราะห์พุทธวัติให้เห็นเป็นพระพุทธคุณเด็กมองเห็นพระพุทธคุณเด่นชัดขึ้ น, นะะจะจะพบว่าถ้าเราเข้าใจพุทธวัติแล้วเราจะเราจะตรวจสอบตรงนี้ได้นะฮะ ตรสอบว่าจิตพระพุทธเจ้าสิ้นตัณหาจริงไหมในระยะเวลาสี่สิบห้าปีเราดูผู้ตรวัติต่างๆที่ท่านแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดธรรมะนะฮะดูเฉพาะผู้ตรวัติประวัติที่ที่ปรากฏในทีนน่นั้นว่าตรงไหนบ้างไหมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงตัณหาท่านจะพบว่าไม่มีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเลยไม่ว่าอะไรก็ตามตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอะไร ที่ประณีตยังไงก็ไม่มีนะไม่มีที่โคนต้นโพยยังไงก็ไม่มีตลอดการยาวนานตอนนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเราไม่มีปัจจัยเป็นเหตุแห่งสังสารวัตอีกต่อไปนี่ก็เป็นความรู้เป็นพยานประเภทที่เป็นพระสัพพัญญุตยานที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูอ่นะคือรู้ทุกอย่างก็เป็นความรู้อย่างนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วที่จริงก็เป็นวิธีเดียวกันกลุ่มของธรรมกลุ่มเออไม่กลุ่มของ กิเลสกลุ่มของธรรมะก็คงอยู่ในรูปเดิมแต่เป็นการแสดงโดยวิธีหนึ่งโดยโวหารหนึ่งเท่านั้นเองท่านทั้งหลายจะพบว่าในที่นี้ก็มองย้อนกลับไปที่อริยสัจส์4นะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพบเป็นรูปเป็นรา่างนั้นก็คือทุกขสัจ ต, ตันหาที่พระองค์วิ่งหาแล้วไม่เจอนั้นคือตัวสมุทัยสัจไม่เจอแค่สักทีหนึ่งนะทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันก็หาแกไม่เจ อ, เอ พอพระองค์หักไอโครงทั้งสารจาจักได้นะฮะเครื่องมือในการหักนะเครื่องมือในการหักทั้งหลายนั้นก็เป็นมรรคสัตต์แต่การที่หักได้โดยการที่ไม่มีสังขารคือเป็นวิสังขารแล้วก็จิตปราจจะตาหานั้นก็คือนิโรธสัตต์ท่านท่านจะจับตรงไห น, นล่ะท่านจะเอาข้าวปัจยการน่ยก็ปัจจัยการก็คือกันนะฮะกาปัจยการก็คือการ ก, การที่เวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัฏนั้นเพราะ เป็นวิญญาณนามรูปสลาจตนาภาษานะเวทนาเวทนาเพราะหาตัหาไม่พบนะฮะเพราะหาตหาไม่พบจึงเป็นอภิชาเป็นสังขารเป็นตหาเป็นอุปาทานหาไม่พบตราบใดที่ที่ไปพบก็แสดงว่าเราไม่พบ พ, พวกนี้ฮะพอพระองค์พบเข้านะฮะปฏิบัติจนทําลายพวกนี้ได้มันก็กลายเป็นอะไรเป็นมรรคเป็นมรรคที่ความดับตัวความดับนะ ท, ท, ที่พูดถึงปฏิยาการในช่วงในช่วงดับแล้วผลที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นนิโรธนะผลที่เกิดซึ่งตรงเงนขา่ามตรงกันข้ามมันคืออวิชชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาดับปัญญ า, ด, ญญาดับนามรูปดับจะพูดตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันพูดแนวอริยสัจก็ได้พูดแนวปฏจจิยาการก็ได้ก็ทําให้เห็นว่าในการสัสรู ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการรู้ระดับโลกอย่างแจ่มแจ้ง ทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งพระนิทั้งไกลทั้งใกล้นะฮะโดยสภาพความเป็นจริงยังไงรู้แจ้งโลกทุกแง่ทุกบุ๋มทั้งรูปหยาบทั้งรูปที่ละเอียดเจาะลึกลงไปจนไม่มีนะจนไม่มีโลกไม่มีชีวิตรู้ลุกซึงลงไปแต่ว่าจุดที่เห็นว่าไม่ไม่มีน้ําก็ข้ามไปเป็นโลกุตระแล้วก็เข้าถึงสภาวะที่เป็นเป็นโลกุตระต้องแบ่งช่วงให้ออกว่าพระพุทธเจ้านั้นช่วงหนึ่งก็คือเหมือนกับเราเราทั้งหลาย ช่วงหนึ่งก็เหมือนเหมือนกับเราเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงรู้ด้วยประยานสองข้อแรกนะฮะ <c oughs> ก็เหมือนเหมือนกับเรา เ, ราเราทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่รู้เองนั่นเองว่าอะไรไมช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็มาถึงช่วงที่สองนะฮะช่วงที่สองซึ่งเกิดขึ้นจากอาสวะขยานนั้นไอ้ที่จริงก็เหมือนเหมือนกับเรา เ, รา เ, ราเราทั้งหลายนะฮะแต่ว่าเรา เ, ราเราทั้งหลายยังมีพระองค์ละได้่นั้นเองว่าเขาผิดกันตรงนั้นเกี่ยวกัอาสวะของพระองค์ก็เคยมี เคยมีมาก่อนไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าพปรองละได้มันก็เข้าถึงสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคนอื่นทำได้มันก็เข้าถึงสภาวะเหล่านั้นเหมือนกันเป็นสภาวะที่ไม่ได้จำกัดจาเขียวไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นระบบเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาเป็นระบบคุณธรรมธรรมนั้นวางมาตรฐานไว้ยอย่างเงี้ยนะใครขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นไปได้เหมือนกันนะเป็นมนุษย์ นะเอากําหนดกุศลกำหนดสิด 10, เป็นมนุษย์ใครปฏิบัติได้ก็เข้าถึงสภาวะมนุษย์หมดอริมัหาร่ถือว่าเป็นพรหมธรรมใครมีพรหมมัยสีก็เป็นพร ม, มีประกอบด้วยพรหมธรรมเหมือนกันหมดแล้วทีอว่าเป็นพรหมในโลกนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮิริโอตปะเป็นเทวธรรมใครเข้าถึงหิริโอตปะก็เป็นเทวธรรมหมดไม่ไไม่ได้กําหนดยากดีมีจนบุคคลใดผ่า พ, พานันธใดพระพุทธศาสานาไม่ได้กําหนดอย่างนั้นกําหนดเพียงจัดตะวัโลกต่นนั้นเอง คือผู้ที่ยังเกี่ยวข้องยังพัวพันธุ์อยู่ในโลกพระพุทธอุทานข้อ น, นี้ถ้าท่านทั้งหลายอมองกลับไปข้างหลังอีกทีนะไม่ไม่จะไปจางหลังข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะคือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบทรรมเทศนาแก่พระพันวัคคีนั้นในช่วงที่ทรงแสดงถึ ง, ถงการสัตยรู้นะฮะที่แสดงอริยสัจก็คือแสดงอันนี้แต่ว่าพอมาถึงช่วงช่วงสุดท้าย ที่แสดงถึงการศัสรู้ในรายละเอียดคือหมายความว่าถ้าเราจะต้องการรายละเอียดนั้นไปอ่านที่ที่ธรรมาจากักรอีกทีหนึงก็ได้ก็เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นที่ทําให้พระองค์เปล่งพระพุทธฐานนั้นที่เราไปรับสั่งเล่าแก่พระปัญจวคีเป็นการใช้โวหารอีกอย่างหนึ่งนะเป็นการใช้โวหารอีกอย่างหนึ่งก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าญาณสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสี่ซึ่งมีวนสามีรอบ12ของเราในไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นอรหันต์ตสมมาสัมพุทธะอย่างนั้นแต่เพราะวญาณสามซึ่งเกิดขึ้นในในอริยสี่มีมีรอบ12ของเราบริสุทธิ์หมดจดเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นอรหันต์ตระสมมาสัมพุทธะเมื่อเป็นแล้วมันก็เกิดวญาณผุดขึ้นก็แลวญาณได้เกิดผุดขึ้นแล้วแก่เราว่า อายามันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอายามันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตติไดนิปุณพปโภพบใหม่ไม่ได้มีทีนี้ไอ้ตรงนี้เลฮะเราจะเห็นว่าคนบางคนก็เทศสารแณรสับทนพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้ามันมีมรณันตังหิตชีวิตต่างนั้นพระเจ้าเทศธรรมดามรันตังหิชีวิตต่างชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดเขาบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จบที่ตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วอันนั้นบางพูดกันลเรื่องนะพูดกันเรื่องก็พูดด้วยภาษาภาษาบ้านๆภาษา ภาษาธรรมดาธรรมดาบ้าก็จบลงที่ตายความเป็นนายกรนายขอมั่งก็หมดไปที่ตาย เ, าเกิดอีกมั่ก็เป็นเป็นอย่างอื่นไปอีกตามสมควรแก่กรรมแก่กิเลสนั้นนั่นคือคือภาษาธรรมดาแต่อย่าไปอย่าอย่าไปเกิดสับสนว่าภาษาที่ทรงใช้แบบธรรมดาที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยฮะจำนวนคนทั่วไปนั้นเป็นภรราษาระดับหนึ่งแต่ภรราษาระดับที่เป็นการแสดงถึงความจริงที่แท้จริงก็ใช้อย่างหนึ่งครับ ชีวิตนั้นไม่ได้จบลงที่ตายนะฮะจบลงที่หมดกิเลสสภาพชีวิตจริงๆนั้นความมีชีวิตคือเข้าไปสู่กระบวนการของปัจจัยการมันจบลงที่หมดอวิชชาหมดลงที่อวิชชามันก็จบกระบวนการของชีวิตแต่ว่าในแง่ของสังสารวัตรนะฮะถ้าในแง่ภาษาสมมติบัญญัติก็พูดอย่างนี้แหละ ก, ก, ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปาราธรรมดาธรรมดาคนเราก็กจบลงที่ตายนะแค่นั้นอนะ ตายแล้วก็แล้วกันไปอะไรแต่ไรนี้คือนั้นก็พูดธรรมดาช่ว่าโรคโกรธโรคเครืองอะไรแต่ไรมัก็ก็แล้วกันไปก็ไม่ต้องมาทะเลาะ ก, กันอีกแต่ว่ามีหลายเรื่องที่ยังไม่แล้วกันไปนะซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของปัจจยากาศต่อมาพระพระพุทธเจ้าก็มาแสดงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีนั่นก็คือแสดงตอนสุดท้ายของพุทธูทานที่ที่ได้เล่ามาแล้วนะฮะ เพราะอะไรเพราะทำไมพบพบไม่ได้มีเพราะจิตของพระองค์เข้าถึงวิสังขารไม่มีพบไม่มีตัณหาเป็นเครื่องนําไปสู่พบไม่มีภาวะตัณหาที่จะก่อให้เกิดในพบต่างๆอีกต่อไปเป็นการพูดเรื่องเดียวกันนะพูดเรื่องเดียวกันเลยแต่ว่าต่างโวหารกันต่างโวหารเพราะ น, นั้นเป็นการแสดงในลักษณะสืบเนื่องแต่เป็นการสอนคนอื่นซึ่งคนฟังนั้นไม่ได้มีพื้นอย่างเดียวกับพระองค์รองค์ก็ต้องหลากหลายยาเวเหยียดได้ หลากหลายออกไปแตกกระบวนจริงๆแล้วก็เหมือนกันหมดเลยพูดเรื่องเดียวกันนะพูดยอ่อหรือพูดพิสดารนั้นเองแต่มาพระองค์พูดยอ่อๆพูดยอ่อๆพระองค์รู้ของโรงเองแต่มาพูดกับปัญญวัคคียย่อๆอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราต้องชี้แจงต้องอธิบายต้องขัดเราความปักใจฝังใจของท่านมนษย์ทันติดใน การทรมานร่างกายยังถือว่าจะบรรลุนิพพานทําไมทรมารร่างกายก็ไม่บรรลุนิพพานครจะบรรลุนิพพานก็ต้องทรมานร่างกายพระเจ้าต้องขูดตรงนั้นออกเสก่อนขูดความเชื่อตรงนั้นออกเสก่อนและจึงพูดเรื่องที่จะบรรลุนิพพานโดยไม่ต้องทรมานร่างกายให้ฟังแต่ถ้าไม่ขูดตรงนี้ออกมันก็จบมันไม่ก็เลิกพูดกันพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ก็คือวิธีแสดงธรรมเป็นโวหารเทศนาคือเทศนาที่ยักย้ายถ่ายเทไปด้วยวิธีโวหารเพราะอาศัย พื้นเพคของบุคคลที่ไม่เหมือนกันแต่นั้นเองแต่ว่าจะลงกันสมการทุกกรณีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อข้อสำคัญเราต้องเข้าใจวันนี้พูดระดับไหนแต่นั้นเองพูดระดับไหนระดับสมมติหรือระดับปรมัติหรือระดับความจริงทแท้จริงหรือระดับที่สมมติกาหนดหมายเรียกขานการเข้าใจกันด้วยภาษาพื้นพื้นของโลกอย่างที่ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะว่า เราเมือเ down, เม่อเป็นโรเวสั uma, นดอนเราเมื่อเป็นจันตกุมานนะฮะเราเมื่อเป็นรวันรมามอันนั้นภาษาธรรมดาพูดกันธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเราเมื่อเป็นเด็กนะฮะเราก็เด็กบางคนละเรื่องกันแต่ไม่ใช่คนละเรื่องกันหมดมันมีเก right. ี Ahora, mate, ่ยวเนื่องกันอยู่พูดด้วยภาษาธรรมดาก็ถูกเป็นความถูกระดับหนึ่งก็คล้ายๆกับเราอยู่ในโลกนะฮะมันก็ถูกระดับหนึ่งแต่แท้จริงไม่มีใครอยู่ในโลกสักคนมีแต่คนอยู่บนโลกต่นนั้นเองถ้าว่าพูดด้วยภาษาที่ให้ถูกตาหนังสือมันก็พูด ว่าเราอยู่บนโลกก็ใคล้ๆกับว่าพระราหุลเป็นลูกพระพุทธเจ้านั้นถูกด้วยภาษาธรรมดาแต่ถ้าภาษาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีลูกพระพุทธเจ้าไม่มีลูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจในขั้นตอนด้วยว่าขั้นตอนเนี่ยพูดกันเรื่องอะไรระดับไหนคนฟังเป็นใครแลวจะไม่เห็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนด้วยความ ขัดแย้งแย้งขาดของธรรมะในพุทธศาสนาว่าในจุดใดก็ตามธรรมะวันนี้ก็ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเถิ